บุกทู 66, 66. สิสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่ง possessive ดิฉันของดิฉันยัยมิ a น ดิฉันหากุญแจของดิฉันไม่พบ j ั g f i ่ n e ฉันไม่พบ k ันไม่พบฉันฉันไม่พบันไม่พบฉันฉันไม่พบ j ัน finner i นไม่พบ l ัน t ม่พบฉันไม่พบฉันไม่นไม่พบฉันไม่พบฉัไมไม่ Har du คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหมคุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหนเธอของเธอเงินของเธอหายเครดิตของเธอก็หายด้วยะบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วยและบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วย เราของเราคุณปู่คุณตาของเราไม่สบายนบอร์ร์แอรคคุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดีเมนเบสต์มูบอร์ร์แอ s au, k คคุณหนู ของหนูเดร์สเด a สเด็กๆคุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหนวูร์เอร์พ่อ d ้าเดรสเด็กๆคุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหนวูร์เอร์มามม่